ร่ำุกมันอยู่กับใจของเฮามันจะไหนสอนใจปลุกใจร่ำใจใจที่ดีอะีคุ้นข่าหลายว่ว่าผู้หญิงว่าว่าผู้ชายว่าว่าเด็กหน่อยว่าผู้เฒ่าผู้แก่หันใจว่าดีใจสวดใจเสียหระเท่าปัญใดเขาขอว่าเขารบกาวเท่าบ่าเท่าบ่อเขาวอมีอารมีถ้ำเขาตํานี้ยิ้ท่า ลูกหลานทั้งหลายก็บอกมืนขำพอเหบาพอเผือกัวของเห่าบ่สมก้อเป็นเถ่าเป็นแช่เถ่ามานะเถ่าจิกจิเถ่าวเป็นแช่ดีของลูกของหลานเขาบ่กเขาโรกาไหวลูกหลานคือมนมีอาดเทัางแ่ทํานองเดียวกันมันยืดแผ่แต่ตัดคอตัดแนกันได้หากมันเสยอมันเสียเกินไป มันส่วนมันเสียมันง่ายมันส่วมันเสียได้ใจปจจมันมีใจหรอกเขาไปไปเขาตีได้โมไปหยังหรอกใจใจนั้นเกียบง่ายนี่นก็ออกมาช่างนอกออกมาช่างฝากออกมาช่างกายทําไปพูดไปในช่างสีส่วนสีเสียซึ่งคนส่วไปวนนิยมชงชอบนะเขาจะมาคนส่วนคนเสีย เพราะอำนาจท้องใจที่ขาดเหตุจขาดปัญญาขาดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทำใจะเป็นเครื่องประดับทั้งปูถเถ้าปูจจัยทั้งนักบวชทลราวาทั้งเดชทั้งเลกคือใดมี่อัตนี่รมำไปจำตัวแล้วง่ามหลายสบายมากบกคือบลาสมไมนี่ยืนในคูอใดเป็นสี่เหลี่ยมไซสัตถทถามียู่ในคือใดเป็นสี่้องการของ สัสตร์ขมนุษยทว่าโลกขาดถ้ำเหล่าบนหันตัวาของเจเองจะเดือดร้อนโลกก็วุ่นวายฮะความชุ่ความสบายเลยนี่คนิี่มีถ้ำใจที่มีถ้ำอย่างนี้ขี่กอที่อาศัยวนี้ี่ได้เย็นเย็นให้ห้องแอร์แต่นั่นแข็งมันจะบาเย็น พอใจมันห่อนใจมันเย็นมันเย็นมันสบายมันจังให้ยึดเร่างของใจให้มันยิบมันดีให้มันมีอาชีพทําคึกได้แล้วคุกหลายสบายมากจะแขวงจะแขวงจะยึดจะของเอียงแล้วพอจริงจรินเป็อย่างที่เจอหน้า ถ้าที่แหน้าเป็นอาเป็นถ้ำหรอมันเห็น่ยงใส่ฉัมันเลี่ยนจบในใจเนี่ยอย่างคุณเรโบมาหายใครแน่ไหมประกาศนิยบัตรขยามั้งเ้าทราบเเข้าใจในโจของเฮาวาสิ่งที่เฮาเคยคิดของชาวมองจริงที่เคยคิดเคยคิดเคยชอบเคยคิดหนึ่งมันโมี่ในจิตในใจตาเห็น่ยทักใจเห็นหยงหเด็ดฟังปวดทักใจเด้ดฟัง โมมีอันไดนไปข้าคิดข้ามใจหนว่าหินคุณเกี่ยงคู่เก่าเพราะรูปที่เล่าเห็นนั่นมันเหมือนกันหมดทั้งรูปตัวเอียงทั้งรูกไข่นอกมันชักใจว่ารูปเสียงที่เขาได้ยินนั่นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราว่าเช่นฉันาดเสินเสียงยินท่ามันขึ้นขามันเท่ากันเพืเสียงบาเดมาเย็บมาถือในคิดในใจ ใจมันรูเท่าเขาถึงอัดท่านจริงจังมันเป็นอย่างนั้นเจะว่าอารมกยุทธะปัสวางโลย่ทั้งกางวันกางเชื่อมมัมีวันได้ีิตเหนิบจิตบังจิตใจคองใสสะอาดบริสุทธิ์จุกเกนมนี่คือจิตใจที่มีอธทฐาภายในจะ่งีความสุขความสบายมาก แผู้ใดตดไปถ้ำให้เห่านอกจากเหาติทำตัวของเหาเองเขาคือไปเจ้าก็เป็นเยอผู้บอกท้านให้เท่านั้นผู้เดินเื่อเห่าพราะปันกันถ้าพอขัวแม่ขัวถ้ามาหากินจะขี้หมอดี้ยางติดตามหาเห่าวักินมดท้านมันจะบอิ่มวัวขี้หอนี่ใจหิวะหาย่จะเสมอไปท่านของผู้ใดเจ้า เป็นปัดไว้ซ้อนไว้ดต่เพื่อภูมิหูปานีใสผูมิใจส้องการในอัดในถ้าเพื่อสิเดนนา่มาพีมีที่แย่น่าแจกใช้กิเลสตัณหาในตัวมวยย่างนั่นเอาีิแลสคำที่ไปสวมหัวมันจะกิเลสมันจะบวย่านเอาคาที่มาเผาเราต้องเอาพืนมาเผาตามอัดตาล่นา คี่ศาสนามาเผาในใจท่องเท่มันบริสทธ่่บริุดได้นอกจากปฏิบัติเกิดกาจัดภายในข ง, นน ต, งตัวเองมันไม่ไี้เอื้ออยู่เฉยๆได้ตัวต่องเฉยๆตัวเองระยะเวลาถือเฉยระยะนี่หละระยะปีนี้ระะ่มให้ใจยินมนตายไปแล้วุศลารามาบุศลารามาพว่ า, าให้ยินแล้วเดีไปสวรรค์นเนี่ยโอ๊ ย, ยขนาดนั้น ทีบ dings, ่บ้านนี่มันบวชใหมันเสียเร่ลากอดอะรแจงห่อนบอกจะเรียนอันไหนจะถ้าันไหามไปตามเรื่องของมันนี่มันจะเป็นยางนั่นภาของกุฏเจ้าแต่เมื่อตายไปเตี้ยงเอาไปเถะอันนั้นเรียนยางอันั้นเป็นเถืเป็นให้เสียวไปทําไม่เกิดกบางคนก็อาจสงสัยคือนไปสอนให้เขาเห็น กูสิจังเตนี่ยเดชเจนากุศลธรมากุศลธรมาแต่ว่าจังไหกุศลข้อพาดคือกุศลแล้วกุศลรวมเนียเขาคือบาตรคือกุศลสอนสอนธรรมดามันบอกเดชเจนาสอนได้ลาตายบักอันนี้ไม่อีอันนี้ มันจะสมัยมันยังไ่หันาหาตายมันจะเป็นหญิงเป็นใต้เป็นหัวเป็นเนีย่ยเป็นสู่เป็นคนอยู่ก็เหมือนกับเห่าเนี่ยมันตายไปแล้วมันเป็นยังไงอุชลาท่ามาอุชราท่ามาเพื่อนรักชื่อขีเหร่อาขีเหรทา่ทนานั้นขีท่ทมาม้าเท่านั้นที่เป็นเพื่อนมิดเป็น ต, ตามตัวไปเขาคล้องเงินท่องบ้านส่องได้ไปบอสี่น่องหยาดมิ จงหอดสายหอดปลาซาหันตัวหรืออไปเขาไปสังเท่านะั้นหายพ้าพัานไปสวรรค์ผาพัานไปมีผ้านพ า, านไปนรกเขาเรียกสีอกจากภามดีความตัวจมันต่างไวให้ห้าวพี่ยยหน้าสอนใจของเท่าอย่าไปหลงไหลไฝ่ฝันจนเกินเกน เ, กนเกินผลหนูซือเงินสอนให้ข้นตาดาๆจิยังมีลกเดี๋ยี่ยายหน้ากันก็นสี่เด็ยื้อเศรษ ยายั่งมีปัญญาแนวสอนัวด้องปวเมื่อล้ไหลไฟฝันเหนื่อยมีปิดบังจนเกินไปเนสอนท่านน้องนั่เ่เนไปให้บุญให้เว้นได้ยังสัตวมันก็วิธีใดหรือมันสิไปนรกอะไรีีไปปวดเป็นเจ็บเป็นขีเป็นตาต่างหไปโดยมิมอย่าพอเจหน่อยทั้งหลาม่อยทุกก็ล่าหลไปสวรรค์้านี่ยจะเกิดยินนีุ้กังสั มันมาไปทํานองนั้นเอาบ่เด็กนี่เปนใจเขาใจเราเพิ่งไปให้นบุญเพิ่งไปสอนเฮ้าเฮ้าแล้วเี้ยมือิตคนเกิดมามันนี่คนตายเป็นธรรมดายางนี่เนสื่อมีสมบัติพระสัจฐานเขาองเงินทองหมากไกายของทวดาห้ามไม่เได้หมอดีวีเร็จนาาได้หมอมันกระจายหอทํา ายนี่เป็นอริยสัจชื่อของสิงที่เ ร, ราเคยเปเจ้าทัดไว้แก้ใช้ก็ได้ฉันนี้เกิดแล้วตอนมีตาคเกิดนันูพระพุทธเจ้าที่แย่น่าแยบค่ายแล้วด้วยวพยานของพระองค์จะมาสอนเห่าม่เป็นเกิดมาแล้วจะอยู่ขําฟ้าแตตอนีความตายเป็นเมืองหนาด้วยกันทั้งหมดเพื่นสอนทําน้อง น, น, นั่นเพ่นที่แย่น่าทํานอง น, น, นี่จิตใจของเพื่อนจังดี จิตใจของเพื่อนจังมดยุริ ม, มันเป็นไปสั่งอันนั้นถ้ำอันนี้นั่นเป็นหนาที่ของปูติชอบเบี้ยนไหวตายเกิด อ, อยู่ในวัดตาสงสารเขายินดีให้ท่านถ้ำให้บอกว่าผ่าพรชอนสบายบอกว่าที่อยู่ที่อาศัยเพราะเหตุใดเพราะเหตุไปแล้วมันเป็นหมืนเป็นกูดสนแก้เหาเขายินดีที่จะเสียสละ เห็นว่าท่ามไปมีบไั่คุ้มค่าพอเพียงเป็นเนื้อหน้าบุญของโลกได้เขาจะยืนดีเหลี่ยมใสเขาจะท่ามหายเงื่อนเป็นกดโกดต่ย่อมเสียสละนั่งวิสาขาเพะท่ามแล้วที่คุ้มค่าได้กำไรในการท่ามไปของตัวในท่ามเนี่ขี่บริสุทธิ์ท่ามในขี่สะอาดท่าในขี่ องควรานถ้ำเหลีองมักของคารวะกับเหล่ยงมากของพระนักบวชมันคิดกันสมาชิติสมาสังสัปปะสมาว่าจาสมาสัมมันโตสมาสิโวสมาว่าโยโมสมาสติสมาสมาชิของพระมันไปทางในสมาชิติสมาสังสัปัะมักของคารวะมันไปทางนอกคือไปในวงของโลก ยุคชอบเบี้ยนหวายใเกิดเมื่ออย่าปกคลุมปฏิบัติเื่อกิดจุพลถูกไพ่ในวัฏสงสารในชาติปจุบันกระถ่อมไหวผลงานความดีจริงใดทถือควรท้ำเมื่อท้ำลงไปใจมันพองใสใจมันสะอาดถึงพันจีบาปาศนาอยากได้ของเท่าตามเท่าท้ำลงไปมันก็เป็นรายได้ของเทาเอง มือนกันกับที่ดินที่ดินมันง่ามเข้าไปหูจกักจนไหม้ใบหยามันบอกปลามันนี่หุ่ยนี่เติมดีปลูกอันนั้นอันนี้ง่ามจะแท้วันนี้เพอาะจนไหม้ดีนนั้นมี่อยู่ ม, ม, ยมันง่ามหยาดินมันมี่อยู่มันง่ามเข้าไปปลูกเตินปลูกของทาําลำไรจนไหม้ใบหยาตัวนัน่นออกแล้ว เจหน้าทั้งน้องนัู่นีอาจามีจ้กับปูวัวนีอมีมันจะคิดกันโมเมนต์เห็นว่าทีดิน่ะปูวัววันไหนสุดทง่ามขึ้นกันหมดคนมีไส้หาสองสัยคิดไปจาหน้าชีดีนันวัได้เอาจากห้าดอกห้าบุ๊กจูเทาัได้เืดฝนจึงไปปูไปางไว้ในนันยินดีด้วว่ามันโดยยดีมันคงมีความหมายอันใด มันยิ่งดีคนเ้ียวทำลงไปมันก็ได้มีเหนือหน้าบุญของโลกก็ทําเม้าหยวกันพไปจต่พระสงค์เป็นเหนือหน้าบุญของโลกแต่บันพระสงค์หัวหล่นโลดผ่านยังเหลืองเนาะมันเหมือนกันหมดสี่ดินว่มันเป็นสี่เอียดเหมด่านมันจะนี่ว่ามันจบบุญ มันก um ็ะนี้ส่มันลุ่มมันก็ะนี Now, ้ส่มันสูงมันก็ะนี้นอกจากเลือกเอาเอาสิทําบันใดส่างบนใดเลยใหญเป็นผลเป็นกําไรในการปลูกส่างของเฮ้าพระพุทธเจ้าบุญเปนสอนแบบง่ายๆได้รู้เจยาท่านั้งดาตาบังยาถ่ายนั่งมหาพลังเพิ่นสอนให้เลือกเส้นการจะทําำว่ามันว่าค่ะเลี้ยวหัวล้น ดีหมดเคลื่อมหมดเพิ่มบริสุทธิ์ทำนองนั่นเห็นไหมเขามีหิ้ก็ให้ฟั่งหนี้ตาก็ให้เบิงหนี้ใจก็ให้คิดทำลงไปเดีอความบริสุทธิ์ใจทำลงไปเดีอความมนีปัญญาคนยางนั่นบริสุทธาทำอันไดลงไปไปได้ผลในกำไรเ่อเรทำไปดีวความ บดทีใจหน้าท่าไปซุ่มซี้ซุมห่าแจกของขีดท่ามไปมันจะเสียไปซื้อกันมันบดมันบดเสียไปวานลงในหินด่านมันจะบดเถื่อบดผลไปซื้อกันวานลงในที่มันอุดหนุนงบุญเด็กเยอะอยู่คนมันจะบดผ ล, ผลมันกะหมดไปซื้อกันแต่สิ่งที่มันเกิดสินงหามันคิดกันแน่เราควจะให้เรียกเคลม ถ่าทถ้ำบุญซุ้ท่านให้จิดให้อานให้ปีนีพี่ใจหนะ้าให้รอบพ่อหลวงพ่อเจ้ากันสอนหม่วยงวสอนแห่สลาดอย่างนั่นนี่ไม้ถึงปุูกที่มึงมันจะเวียนไายตายเกิดต่อไปท้ำอันใดหวังผลหวังกําไรคือความชุกความสบายไปในชาติต่อไปคนที่ถ้ำดีไหวถ้ำบุญไหวตายไปเมื่อไหรเน ก็ได้อาศัยบินถูสนผีส่้นถ้ำไว้ให้รับความทุขความสบายเจริญในชาติต่อไปบ่เป็นคนอื่นถิ่มาแยรที่หลิ่งเล่าเอาไปได้ยดินเป็นนามาทํำอยู่ในใจมันจะไห้กินกิแใจหน้าให้ศึกษาให้เลือก ่ไตอัตารที่เพื่อใต่ในที่รำโลกาที่เพื่อไต่เโลกเขยิ่งนี้ขาทำอย่างไรกะทำไปตามเขาเอาโลกจนไมได้เอาอาตเอาท่านเป็นถือว่าโลกาที่เพื่อไตอตารที่เพื่อไต่ถือนจน็นไงเขาจะทำอย่างไรทำไปมันคิดที่ททีตีน้าท จะหลประเทศนี้ยังหรืยาวหงำมัน่นนี่คืออาจาที่พระไตถ้ามาที่พระไตรเป็นมือให้เขาไปในสองฝั่งสองขางนี่อันนี้มันถูกต้องมันดีงามถูกคนคนโลกเขาสื่อนิ้นท่าก่อาตามคนสื่อชั้นละสับก่อตามอันนั้นเข้าควรทําบ่เด้เอาร่มปากของคนควนในมาตัดสินตัดสินโดย เกิเผลหรือความถูกต้องเพราะคนมีกิเลสมีปัญหามีอารมซามีไม่ใจมันเอาเนยนอ น, ยนจังอไรบ่ได้หรอกใครมันสอบใจมันจะสั่นได้เชิงเชม่สอบใจมันกะนิ่มท่ามันทับกัน ก, ก็ปากหนาปากคน้นปากน้ามันก็นเฮาถ้าจับก็เชิมันก็เฮาเชิงมามันก็เฮา ปาคนแต่ถ้านนองเยียวกันผู้ดีมันจะตั้นุบผู้เชี่ยวมันจะนิ่งท่าผู้ดีมัน่นิ่งท่าผู้เชี่ยวมันจะทั้งแรงเสริมได้มันทําน้่งเดียวกันเท่ากับคว่นผู้นึงควนที่มีผู้ใจหน้ามันคิดถูกดีส่วนยางไหลเหตุที่เยียหน้าเหนถึงใจนี่ไมถึงเรื่องการวินิจฉัยการผู้จหน้า หาเหตุผลหาถ้ำอยากยึดจับใจทั้งตัวเป็นนักบวชมันทุกซ่อนทพื่นี่ตัวแก้วน่ะสำลักวันนี้ตัใ่ดอยคือไม่สำลักให้ห้าววันนี้อันใดดอกที่เอาซุกเอาซุกมาให้เราจับใจทั้งห้าวเพียอน่ะแต่มถึงเกิดทงผลของมันมันยึดมันเพื่อมันมันสาคัญว่า ยอยางไหนใยางแบบหนที่เรา น, น่ะรอบ ด, ดีือเปล่าิว่าโลกอันนี้นันีความทุกขความเจริญไหดั่งยื่นเท้าว่อนเข้ามาจากนันไปมันก็นจากเข้าไปเส้นบัตรข้าัตรหลังใจก็ห้าวไปขือนกันไหมขีพ่างเนี่ยได้กั็พ่างได้โดยยืนไม่ยืใส่เพนั่นว่าอนัตตา เยมานไเข่าถึงอัึท่านียวมสุกมาสบายดอกความเพียรความสุขของนักบวชสกก็เข้าเร้ว่าว่าเดวแสดงฮะเข่าตาฮะรถามีผ่าเอีงบั่เขาก็บ่นหาเศร้าเข่าก็บ่นหายสุอนี่ฮะที่เดนจุดเด่นภาวนาละที่เลยจะกินไหนน่องแบบนีมันจะเป็นหนีเลยนี่ฮะน้บารชื่อนี ดีว่าเป็นแกายใจไมเกี้ยวหลบโกถอกหลบกุงสารนะฮะดูท้าเดินพาเราท่าเหมือนจะเป็นนิววนสอนอันนั้นอันนี้โยงไปกระ่ายนีะสอนใจคงเฮ้าที่เจ้หน้าอัดท่าเห้อเขาถึงคิดถึงใจอันนี้นี่อะไรคิดบังดอกวันหน้าฉันจะว่าอดิึกวันห้าค่ะ นาผ้าแสงสว่างเสนอเดยนหน้าวมันเหนืยเห่ยไ้แต่มีเปนห้มันสว่างสว่ได้แนี้เปนหน้านีีเระชวสว่างนได้ต้ง่นันหกันมเหืง่เห็นอันไหนเป็นอันไหนตามเป็นยิ้ให้พใจมันเหนื่มันเหนื่อนดปัญญาเรื่อที่มีีวหน้าศึกษาบเวลา ผิามากเลยหมดไปหมดไปล่ะทันษาเลยใกลขวัญขมาห้ามขมาแก้อขมา่านห้เมน่งกลออกขันษาที่เหลือปหามันออกไปจจกที้แจกใจเรื่อนาแกคนเป็นเรื่องโปรดคนว่าขันสาพนักงานขันษ า, า, นาไปว่าไปว่าจเจมพินภาวนาเถาะออกขันษาเหรอที่ไหนจังคอยไปอีกขโมยคนดิกาิ่นดอก อุนเยนคท่านทักคนอุ่บ้านมาซมนเข้ามาแน่นดอกบัดนเขาห้าแน่นทงสาไม่ก็ตีดยิออกทั้งสามันก็แดดอยู่ขี้กันออกทั้สาเราเราซึมมันก็ยื่หนือยบื่อเวาด้วยหนึ่งชีวิตคเียวที่เจอนาท่านมันเป็นอาสาศรโกลเ็ดได้ทุการทุกชนิดทุกเวลา เหม่อชีวิว่าอยมันเพิ่มขึ้นงอขึ้ดีรวยไปมันตังงั้นว่ามันการนั่นการนี้งคสืบจะสืบท่านเดิเป็นทราม่นั่นเป็นสเห็นเขาท่านผูกการผูกเว่ลาสิ่มสินั้นเป็นประโยชน์สิงนั้นเป็นโทษมลละผูกการกเลล่าบ่มันไม่ขั้นาท่านบุญไม่องเลยบุญมาะขั้นาท่านบุญมบ เมืม่อในท่านน่งน่ะคือกัรก็ไฟวดีว่ า, วานกลางวันกางคืนดีว่านในท่านสาหน่อก่อนสาประโยชนบเข่าจั๊เข่าเม่อไดอว้วางใหม่หนังนความสวดสวไปแต่ท่านนงเดียวกันความดีทิ่ท่สะสมเอาโมเอาไหว้ด้วยว่านท่านสาหน่อก่อนสาท่านการได้สมัได้จะดียิ่งนัท่านจมาเป็นของปลอมมาไปตามการ ต, ตามเมลา่า อ า, าอการลุกโวยวายการคิด อ, าอ่านยังนันการทำความดีนั่นจะเสอต้นเสมอปลายโดยทีอการที่ว่าเวลาท่เด็กนั่นนันดียังนั่นยังทาดีเหน่อยแต่เป็นดีหน่อ ย, อยทําชื่อเหนื่อยก็เป็นเชื่อเหน่อยหนือ่อยอนยใจท่านน้องน่นบ่ยังนั่นบ่เลยว่าไ ป, ไประโยชน์เนียการเกิดมา กจะยิแต่หยิ่ไหวพยายามจิตอ่างพยายามจิตจับยายามปฏิบัติธรรมะบระยุทหายจากเข้าดอกอยู่ในกาในใจต้องเขาเลยล่ะดูวันหนึ่งที่เจหน้ากวันหนึ่งควสุขจงเกิดขึ้นจากหนึ่งความสงบ มันก็สงบแล้มันเกิดขึ้นจากบนไดดับบนหัมันคิดบนไกะบนหัมันจะมีคือแกะคืไขวิจัยของตัวมันไม่เห็นว่ามันจะเน่อยมันของเองเะคิดไปขี้อายี๋มันมววันเป็นวันของจะกคุณแกะอี๋มหนจะหาอีงมันเห็นหร คือเขาอยากิ่มมันอิ่มเหรอมักหิาแ่นพ่อมันนเป็นพ่อรีบเด่นสวนไว้ถ้ำเอาเห็นมรูมันเขาใจในอัแลมวทํารูอาดเข้ใจัเย็นใจัสบายไอ้คนหยดเย็นุ่นว่า ปิดของเขาจยุดถือมือเี้ยงหน้าข้ออย่างรกตอนใส้ามใส่ตอจักให้ใจเย้อย่างนี้ใส่กรมันหจงนใจเงิน เราเคยหาวัาเขาจะไหนคือเห็นเนใไมทำนี่จะมาท า, า ย, นะยาเง้ยเจ็บถึงคบาอาจารย์ดูสิไหนะให้อ า, าทาอนะ่านเจโรกหาเงียเรือขมาา่คิด ใ, ใจที่เป็นอาถิท่านไหาเงนะความคิดมัเป็นสาลาแจ่ม 3. คนคิดถือว่าเป็นประโน์ เป็นเถิเไผ่คไปว่ายังคำจะอาฆามันมโคนี่สิหมคือสังห า, หาเท้าไส้ของีมคอยลง อ, อห่อาห ง, ง า, ายจะใคเห็ินกันสา่าครได้ไมมีคุณข่าหลายถึงบากตว่าแต่ร่าหาันไดทำไไม่มีคุณข่า บอพบแเขาคุดเป็นร่องของร่องเหนเาอยูเขาจขยนมันเพื่อมเลยคุดออกดอกเพราะเดหน้าแราไม่มีคุณค่าอย่าม่ขอ่่อไเห่าท่อนาหกลายก่อนเขาจะขยนมันเชื่อมแรงนั่นสีข้ เราไปหมิ่นเขาไว้หม่ขอบไม่หากแล้วนะป ไ, ไป นีอะไทุกสบายเห็นมทุกข์โคโรเห็นความผเข้าเห็นนี่แหละมีอะไรหัวใจคนความทุกข์เข้าก็เห็นก็หวหนึ่งนี้วทำทุกยึดยึดเดนมันไม่ทุกข์ขาดยึดในยึดเด็นมันเกิด่ตายอย่างนี้มันห่างกนอยูด้วยมันคืออะไรสินะเปลือกหัวได้ คามเงินอก็สยเว่าไดยากที่นงก็สวยเยบว่าได้วยทกข์กาก็หายเยอะห่มันสยเยไดโอ้คือบุกเสียอเเขาสจคือโยามันบมันบเป็นั่นมันขอมันอาศัยก็ได้บิบิพรอมเียเ้าเลนมันนั่งหอมลอดทางอไปเทียวก็ได้มันถุกไม่คิดไม่ใสนอกจากอัดท่าีเส้จะั้งไว ทุกข์ทงานได้ที่เย่ะมากนเพรากข์สัจวทุกข์เท่านั้นกข์หนึ่งจะเป็นอริยสัจที่มาอยู่ยมนน่มันคือทุกข์การทานได้เิ่งเลยไปแก่ตายเทานั้นนทุกข์อันนี้มันบนตายไปอยู่ดอกวะม่นจากตายไปแล้วมันสิ้นทุกข์อันไหนในใจมันก็เฮจักอยู่ที่นี่มันจักมัที่ตายไปแล้ว ตกนรกเมื่ไหร่อะไร่านี้คิไปเสือเป็นอัดเมื่อมีจิดบังมันก็ได้ประโย์เรื่องจะตายได้เลยมีทางออกทางไหนนี่จ้องห่างจ้งให้ะไรนะเ่อนขึ้นนะเหลียวว่าเ่วนเหลือว่ไใสิมันถุกมันมันถูกจหดตายมันกธรรมดา้าทางออกก่ไใดสันเขาโยถุกสอมอบรมจิตใจพวกเาไว อ่ทุกสอนไปเลยเออมันเกิดขึ้นมาอันนี้นไม่เกิดอันนั้นดบ่าดบส่นือเท่าทุกสทุกอย่างมันมีอะไรที่ดังเป็นื่องสบายเงียบเงียนแจมใเวลาทีเป็นอยู่บ่ก็มีอันใดมาทํานคิดท่านใจให้เหือบอดไมเหนื่อเวลาเหล่มตายไปแต่ม่มีอันใดสียคิดเสียใจ พอทึ่งทุ่งางคอบนี้เสนอแล้วไม่เลี้ยงไหลงั้นจิตใจธรรมด่าสือว่าค่อยซุดใจไว้การปฏิบัติใจเี่จะมีความสุขในตัวข้งตัวเองมันเพิ่มเอื้อแฝงนันมาให้การนิยบัติขึ้นบนเทนีไก็ได้หรอกก็ขึ้นมาเมติต โทษด่าอาหารโทษตื่นจิตใจวบางคนเห็นวทษคนประวัติอันใดมันเป็นเท่าหน้าเห็นช่วยคนลาหน้าเนอะไรนี่จะหึจักที่่หนปิบัตเห็นเป็นสังเกตปกัวมันเห็นจักาเี่ยในจิตในใจทั้งตัวแลิ้าหน้ไอ้างคนอื่นอาจากการปฏิบัติข้งตัว ชิ้นความบริสุทธิ์เนี่ยอฮมันสุขสบายขนาดไหนนะใจจะจับไหมใจขาไม่หลบ เด็กเยาว์ต้องคดา ใดมันสี่สิบสี่สบเอ็ดขั้นแต่มันชันสูงขึ้นยากขึ้นไปก็ไปพักเปลีย่ยนเงั้นเพราะสคนขา้าขาล้ม <laughs> มันมีเงยขาขึ้นเนี่ยมันกลัวออย่างกับพายจีวร พไปถึงบันไดขันไดต่็กอดเพราะกลัวตกลงไปจนครึ่งอาจารน์ต้องไลงตามหลังไปก็เลยเลยถันลงไปนะไปถึงพื้นก่อนทันอืแล้วม่เคยคุยชายแค่นะไม่เคยคูยหญิงแล้วพอคูหญิงคุยชื่อนั้นกะ็หาบน้ําขึ้นสบายแต่เราไม่ใช่ขึ้นแ <c oughs> ต่หลายนาทีกว่าจะไปถึงลงงั้นกัน เออถากเขาเปยเข็นเสาหัวละใหญ่อ่ะมันไม่เคยขึ้นลำบากสูงทำาที่สู ง, สงแต่เป็นทำต่ำคือ ท, ทำทีมันอยสูงแต่ทำมันเออมันอับๆมันไม่สูงมันไม่เปิดเท่าไหร่คือ ของธรรมกับตัวธรรมมันเวลาสักบาแห่งก็สามสี่เม็ดบาแห่งก็สองเม็ดเกล็ดพอเลยคิษาไปนิมๆนี่น่แต่มันสูงแต่ทํามันต่า เขาไม่อยู่เขาไหลกันลงมาหลายปีแล้วกระกวนการไปอยู่นั้นก็กจะได้สรางเอาไว้กัอนทางรัฐบาลสร้างก็คงจะหมดร้ายล้านเหมือนกันก็ะเสร้างดีเห็นที่พักทียอาศัยไม่ก็ร่วนแต่ไม่ติดเียนทางนั้นนี้เอาทำ นั้นก็พวกซีโพนั้นปลูกไอ้พวกกล้วยมะพร้าวมะนาวส้มหลายอย่างเป็นสวนใหญ่โตอยู่นะเรื่องบินธบัตรไม่ได้ระยะทางมันห่างไกลเดี๋ยวมันจากนั่นมาถึงหมู่บ้านมันสองรอยกว่าเซนขึ้นเขาลงเขาแล้วก็อาศัยพวกชีอยู่นั้นเนี่ย ท่านจะอยองเดียวอดีตเขาเกาหงหาอาหาถวายท่านดูมันตึงท่านจะอยูแบบสะดวกสบายดิ้นเถื่ะตดินเถะแล้วก็นล้ก็ส่วกนั้นก็หาเินไปให้องไปอานให้ท่านสงคงจะบางวันก็คงจะไม่ได้ลงจากทําเราไปเห็นเขาตะ นั่นแล้ะก็อย่างว่าลงได้ที่ขึนได้ที่หนึ่งันนี่ยเหนื่อยขึนยากมันสูงสูงมากแต่ไม่สูงแบบคือตอกพืออกมันมีสะพานขึ้นแต่นั้มันบันไดบันไดแกว้างนะครับสักเมตสิเศษแต่มันก็หนาลัวแต่า่าง เงยสูงมันก็เออจะตกตะบขนาดนั้นถิ่นถินเสูงกวเสียวพีภาษาอะไรพวกอุดรพวกหมู่บึงามพวกนี้เ็ไปท่าพร่าเขามารับไปแ่ว่าทันการเปล่นในเรื่อต้นคือมีคนมามีม ไปมาหลายครั้งหลายหนอแต่ทงกันนัดจริงจังเขาก็ไงิมารับตอนแรมันเดไปสักทีตอนนั้นมันยังวิเยกอยู่คนนี้มันขอเงนใจไปเกี่ยวมันเหมือนสมัยนี้ไปกันหลายสารรถต่างอุดรท่างหมู่บ้านต่าง ổ. ไปเม้นกับน้ำเชี่ยวคงจะนัดเนี้ยเอาไว้ว่าเรามันจะแค่ไหนคงจะคิดแบบนั้นนั่แต่เป็นเพื่อนพวงแขนทางแขนให้เม้นน้าเชี่ยกพอไปถึงเหีวที่ลึกๆมันก็ยืนดันเราอยู่นั่นแหละให้เรากลัวเฮ้ยทำไมเราทางแขนแบบนี้เดี๋วหลอกไปหลอกมาอะไตอน กลับลงมาทักข้างล่างคนตอนเช้าวกมันก็ไปวกหมู่บ้านขามไปนลี้ยงเกี่ยวพวกไปเยี่ยมที่ชาหลายคนพวกยังไม่ขึ้นเที่ยวไปก็คุยกันไปเพลินเดือดไปไม่ดูหน้าดูหลังอะไรก็เดินไปไกลพอสมควรมันขึ้น มองดูเหนวสะพานเพราะมองดูกันเสียวขาอ่อนร้องให้จะกลับก็กลับไม่ได้จะไปข้างหน้าก็ไปไม่ไหวส่งอาศัยคนอื่นจะยิ่งไปขายหน้าลิงตานี่คเราใจนเสียวมันอ่อนแลนะก็ ้วยเราเด่นรวยใจน่คิดอย่างนั้นเนคือว่าไปธรรมดามันส่งเส้นร้ายเสียงกับกว่างสถานกว่างมันควรอยู่